ยาซีเรียสเรื่องเข้าใจผิดคนขับรถแท็กซี่คนหนึ S <S <S <S ่งขับรถตอนกลางคืน พอดีมีหญิงสาวใส่ชุดขาวโบกรถก็จอดรับขณะที่ขับไปเรื่อยตามที่หญิงสาวบอกนั้นหญิงสาวก็ไม่พูดคุยอะไรนั่งอยู่เบาหลังเงียบๆคนขับรถมองไปที่กระจกด้านหลังคุณพระช่วยในกรอบ ก, กระจกนั้นไม่มีใครอยู่เลยเขาใจหายวูบลนไปอยู่ที่ตาตุ่ม ตัวเย็นวาบทั้งตัวเหยียบเบรกเต็มแรงเกิดจนตัวเขาเองหัวข ม, มํเขามองไปข้างหลังอีกครั้งไม่เห็นใครเลยพอตั้งสติได้เท่านั้นก็เหยียบคันเร่งพุ่งออกไปทันทีเมื่อออกจากจุดที่เขาเบรกไปเมื่อครู่นี้ได้สักพักก็ตั้งนะโมสัมมาอารหังกุมพระแขวนคอไว้มั่น เลียวมองกระจกหลังอีกครั้งให้ตายเถอะสตรีผู้นั้นกลับปรากฏตัวขึ้นมาในกระจกอย่างไม่คาดฝันมีเลือดไหลเกระกลงอยู่ที่มุมปากและรูจมูกจ้องตาเขมงมาที่เขาอย่างเครียวกราดเหมือนมีความอาฆาตแค้นคนขับนึกในใจว่าเอาล่ะว่าเป็นไงเป็นกันยังไงก็เจอผีแล้ว ค่อยๆชะลอรถลงจอดแล้วค่อยๆเลี้ยวกลับไปถามอย่างสันๆว่าพ่อพี่ครับไม่สราบเป็นอะไรตายครับหญิงชุดขาวใบหน้าเปื้อนเลือดตอบออกมาด้วยเสียงเกรี้วกราดว่าตายบ้าอะไรคนกำลังก้มลงใส่รองเท้าอยู่เบรกได้ยังไงเห็นไหมฉันปากแตกเลือดกลบปากเลย เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปดูอะไรดูให้ดีๆอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข่